มีอาการโผลเผยอิดโรยเล็กน้อยแต่ก็ยังดูปราดเปรเียวคล่องแคล่วอยู่เหมือนเดิมใบหน้าขมุกขมอมไปด้วยดินปนทรายและละอองน้ำจากสายหมอกเสื้อผ้าเปียกชื้นมอมแมมไปหมดเขายิ้มกล้านๆให้แกคณะทุกคนที่ยืนออรอรับอยู่เมื่อใกล้อีกส5ห้าก้าวจะถึงแต่เมื่อมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าแล้วเช่นนี้ยังเห็นทุกคนพากันยืนจ้องเงียบนิ่งเฉยก็ออกพิสวงอยู่ครามครัน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 เขาก็กระโดดลงไปในหลุมที่พักทอดกายเหยียดขายาวเอาหลังพิงกองสัมภรรษหลับตาลงมีอาการเหมือนจะนอนหลับไปในทันทีนั้นดารินมาเรียและชายันมองหน้ากันแล้วกระโจนตามลงไปทันทีแมมสาวเป็นคนเขย่าปลุกเขาให้ลืมตาขึ้นดีิวก่อนไพรวันนี่คุณไม่รู้เลยเหรอวะยังไม่ทันจะจบประโยชของแมมสาว ท่านใหญ่ก็ร้องออกมาเหมือนเสียงตวาดว่าผมรู้รู้ว่าทให้ทุกคนเป็นห่วงแต่ผมกลับมาแล้วที่หมายที่ต้องการก็ค้นพบแล้วอยู่ไม่ห่างจากที่นี่เท่าไหรนะ่นักขอเถอะครับขอผมสักพักสักประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเขาพูดโดยไม่ลืมตามาเรียทมท่าจะเขย่าคอถามอะไรอีกแต่ดารินรังไห่ออกมาสะกก่อนขยับตัวเข้าไปประชิดเขาแทนที่ ระพินหลอนพูดละล่ำละลักพวกเราทั้งหมดไม่มีใครหลับนอนกันเลยนะเราฟังข่าวคุณอยู่ตลอดทั้งคืนแล้ยิ่งกว่านั้นนะพี่ใหญ่กับแง่สายยังออกติดตามคุณไปตั้งแต่พลบค่ํำตานนี้ก็ยังไม่กลับมาตาคู่ที่ปิดอยู่นั้นเปิดโพลงกันในทันทีสีหน้างงงงเหมือนจะฟังไม่ชัดคุณหญิงว่ายังไงนะครับพี่ใหญ่กับแง่สาย ออกไปตามคุณมาพบข่านี่ป่านี้ยังไม่กลับคุณไม่พบสองคนนั่นหรอกเหรอราชาสกุลสาวพูดเกือบจะเป็นตะโกนกรอกหูรพินโดดผางเดียวขึ้นยืนเต็มตัวราวกับถูกอะไรดิดค ง, งางันไปขณะจิตหนึ่งงุนงงและไม่อยากจะเชื่อต่อสิ่งที่ได้ยินกับหูบัดนี้ทั้งดารินมาเรียและชา ย, ยันรวมทั้งพรานพื้นเมืองอื่นๆที่แวดล้อมอยู่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 ทั้งๆ ท, ที่คุณเองเป็นฝ่ายกลับคืนมาก่อนชา ย, ยันพูดเสียงต่ำๆน้ำเสียงเคร่งเครียดจอมพรานคงยืนจ้องประสานสายตากับคนเหล่านั้นค้างเติงอยู่เช่นนั้นอาการของเขาคล้ายจะพยายามปรับสติสัมปชัญญะให้กลับคืนมาสู่สภาพสำนึกอันแท้จริงขณะนี้ความอ่อนเปลี่ยละเียโหยหายไปราวกับปลิดทิ้งจากข่าวที่ได้รับทราบโดยไม่คาดฝัน ระหว่างที่ยังยังเงินงันทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นดารินก็ถามต่อมาโดยเร็วว่านีแ่แปลว่าคุณไม่พบไม่ได้สวนทางกับสองคนนั้นเลยใช่ไหมระพินครับผมไม่ได้พบหรือได้ระแคะระคายอะไรของคุณชายกับแงไซายเลยครับแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะมีใครออกติดตามผมในเวลากลางคืนเช่นนี้ผมนึกไม่ถึงครับระพินตอบเสียงแหบเสร็จกันนึกแล้ว นึกอะไรไม่ผิดสักอย่างสิดารินร้องทิ้งมือทั้งสองข้างกายทิ้งมือทั้งสองลงข้างกายอย่างกลับกลุ่มท้อแท้เหลือที่จะกล่าวอยากจะร้องไห้ซะให้ได้อีกคนนึงโผล่กลับมาได้อีกสองคนกลับเป็นฝ่ายหายไปให้มันได้ยังงี้สเิเหตุการณ์หนอยเหตุการณ์มารียืนนิ่งโคลงศีรษะอยู่ไปมาไม่มีใครอ่านความรู้สึกของหลอนได้ถูก ส่วนชา ย, ยันนั้นหน้าแห้งคอตกฟื้นหัวเราออกมาหึหึถ้าอย่างนั้นฉันก็พูดไว้ถูกต้องแล้วฉันมีความเห็นว่ายังไม่จําเป็นที่จะต้องออกตามระพินให้เสียเวลาเหนื่อยแรงเปล่าสําหรับคืนนี้เพราะถึงยังไงเขาก็ต้องกลับมาจนได้แต่เชิดขาใจร้อนเกินไปนี่คงจะไปกันคนละทิศเลยไม่พบกันเล่นเอาเธอเจ้าล้อ ก, กันอยู่เองเวรกำ่ำเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 พราะมีเหตุการณ์สาคัญที่เขาจะต้องพอวงถึงมากกว่าเขามองไปทางชายยันกมาเรียพึมพำมากไม่น่าเลยครับไม่น่าที่คุณชายจะต้องเสี่ยงออกตามหาผมในเวลากลางคืนอย่างนี้เลยถึงแม้จะมีแง่ายไปด้วยกว็เถอะคุณชายยันเมและคุณหญิงก็อยู่กันพร้อมหน้าทั้งสามคนนี่ไม่มีใครห้ามปรามเหนี่ยวรังคุณชายไว้บ้างเลยเหรอครับสีหน้าและแววตาของเขาขรึมเครียดเช่นกันหน้าผากเต็มไปได้วยริ้วรอย ผู้กองพวกเราเราก็อยากจะห้ามกันทั้งนั้นแหละแต่เรารู้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนะ่ะไม่มีใครทักท้วงเชื่าได้หรอกทั้งหลายแหล่ก็มาจากที่เขร้อนใจเป็นห่วงคุณนั่นแหละก็กลัวจะไปเกิดเรื่องได้รับอันต ร, รายเข้าที่ไหนแล้วก็กลัวว่าทามัวรอให้รุ่งเชา้าอาจจะสายจนช่วยคุณไม่ทันไงฮก็ไม่น่ายใครก็เป็นห่วงหรอกเลยเล่นหายต๋อมไปแบบเนี้ยฉันนึกว่าคุณเสร็จไปแล้วซะอีก คุณคนเดียวนะ่ะทำให้พวกเราโอลหมา่านเดือดร้อนกันไปหมดดารินโบยวายมาอีกบัดนี้ยามที่หลอนเห็นชัดแล้วว่ารพินไพรวันกลับมาได้โดยสวัสดิภาพไม่ได้มีอันตรายใดๆให้เห็นชัดเล็ดตรงข้ามพี่ชายของหลอนเองกระเงซายผู้ออกไปตามสิกลับเป็นฝ่ายเงียบหายไปหลอนก็พานโกรธเขาที่เป็นต้นเหตุนี่น้อยเรายังไม่ได้ถามไพรวันให้รู้ชัดเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา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 ผมก็ยังไม่กล้าหยุดพักไนะเขาเว้นระยะคำพูดไว้แค่นั้นรีบผุนผันปีนปากหลุมขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนอีกครั้งหนึ่งเดยเร็วหมุนตัวสำรวจมองไปรอบๆทิศเบื้องหน้าซึ่งบัดนี้ทองฟ้าเริ่มสางขึ้นมาอีกต่างสังเกตเห็นพรานใหญ่มีอาการอันกระวนกระวายอย่างบอกไม่ถูกพอหันมาเห็นชัยยันก็ถามว่าก่อนไปคุณชายสั่งทางนี้ไว้ยังไงบ้างะครับ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 พวกเราเน่ยเห็นแง่ทรายนาเข้าบ่ายหน้าข้ามเนินลูกข้างหน้านี่ไปอ่ะพร้อมกับพูดใช้ยันชี้มือไปที่ยอดเนินทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือกล่าวต่อมาว่าผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะนะว่าทั้งสองคนนะ่ะเขาจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการมุ่งตามหาคุณไม่รู้ว่ า, วาแง่ทรายจะย้อนกลับไปทางเก่าที่เราเดินมาแล้วหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าทางด้านเชษฐากับแง่ทรายไม่น่าจะห่วงอะไรนักหรอกนะ คุณเองที่หายไปตั้งแต่เยนวานน่าจะเป็นห่วงมากกว่าสําหรับสองคนนั่นถ้าตามไม่พบถึงยังไงฉก็ต้องย้อนกลับมาที่นี่เองอก่อนเที่ยงวันนี้คุณกลับมาถึงก็ดีแล้วล่ะโล่งอกไปทีอ่ะพักผ่อนเถอะเชิดท้ากระเงยทรายถ้าค้นตัวคุณไม่พบก็ต้องกลับมาพบกันที่นี่เองอเพราะไ ง, งไงก็นัดกันไว้จอมพานกัดริมฝีปากช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก็สั่นศีรษะ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 อย่างโชคดีนะครับที่ตะเกียกตะกายหนีออกมาพ้นรัศมีมาได้ประกอบกับที่ลมเปลี่ยนทิศพัดอ่อนลงทุกคนจ้องเขาในลักษณะตะลึงหมายความว่ายัางไงละพินคุณไปเจออะไรเข้าจอมพรานชี้ไปทางด้านเหนือของแคมป์ที่พักในขณะนี้เป็นมุมตรงบอกเสียงแหบพร่าว่าห่างจากที่นี่ออกไปทางทิศนี้นะครับ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 ถ้าไม่ใช่เพราะบังเอิญล้มกลิ้งลงมาตามไหลเนินนั่นซะก่อนตอนตะเกียดตะกายหนีพ้นจากทางลมออกมาได้อย่างบวุดวิดเพราะมันรวดเร็วเหลือเกินครับเพียงแต่ได้กลิ่งชั่วไม่ถึงสองสามนาทีเท่านั้นก็รู้สึกว่าจะแย่แล้วแก๊สพิษรดีๆนี่เองครับคุณชายกงางเงยทรายถ้าตามผมไปไม่ถูกทางก็แล้วไปเพราะอย่างมากก็แค่เดินหลงเท่านั้นตะวันขึ้นเมื่อไรเงยทรายก็พานากลับมาถึงที่พักที่นี่ได้เอง แต่ถ้าเดินตามถูกทางโดยมุ่งเข้าหาป่าหินนั่นล่ะก็จะเจอเหตุการณ์อย่างที่ผมเจอมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่รู้ตัวล่วงหน้ามา ก, ก่อนจะหลบไม่ทันทีเดียวตายละและนี่จะทำยังไงกันดีนี่ดารินแทบเต้นหน้าซีดเรื่ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นและครับอย่างที่ผมบอกเมื่อตะ ก, กี้นี่คือเราจะรอจนถึงเที่ยงไม่ได้แล้วครับออกตามดูให้รู้แน่เดี๋ยวนี้แหละ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 ก่อนที่ผมจะคลำ ม, มาพบที่พักของเราที่นี่ก็กินเวลางมอยู่ในความมืดไม่น้อยกว่าสามสี่ชั่วโมงมาแล้วระยะเวลาระหว่างนี้ไม่มีอะไรเป็นประกันได้ว่าคุณชายเชิถากันแงซ า, ายจะไม่ไปถึงป่าหินนั่นภายหลังจากเดินคลำทางบนเสียเวลาอยู่เหมือนกันบอกแล้วไงครับว่าเราไม่กลัวถ้าทั้งสองคนนั่นไปทิศอื่นซะแต่เรากลัวว่าเขาจะไปกันที่นั่นจริงด้วย ดารินพูดแทบไม่หายใจขณะนี้หล่อนมีความเป็นห่วงพี่ชายจนบอกไม่ถูกเราไม่ควรจะเสียเวลาเลยแม้แต่นิดเดียวนะใครจะรู้ได้ว่าในตอนใกล้รุ่งนี่พี่ใหญ่กระเงซ้ายจะไม่เฉียดใกล้ปลาหินนั่นเข้าไปถ้าสมมติว่าตลอดครึ่งคืนเขาไปเสียเวลาอยู่เสที่อื่นก่อนเราควรจะต้องตามไปที่จุดหมายสำคัญนั่นแหละเพื่อรู้ชัดออกไปถ้าเขาพลาดไปนอนสลบอยู่เหมือนระพิน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 ไม่ลืมหีบเวชพันฑ์อันเป็นปัจจัยสำคัญขอพวกนี้ไปด้วยอีกสักคนให้แบกหีบเวชพัณฑ์ของฉันเพราะไม่แน่ใจว่าเราจะต้องใช้หรือเปล่าลอนบอกกับพรานใหญ่ระพินเพิ่งนึกขึ้นมาได้เรียกขยินเข้ามามอบหมายหน้าที่ให้และโดยไม่ยอมให้เวลาผ่านไปอีกเลยแม้แต่นาทีเดียวพรานใหญ่กลุ่มนายจ้างอีกทั้งสามพร้อมด้วยขยินก็ออกเดินอย่างเร่งรุด ฟ้าสายลมแรกรุ่งอันเย็นเยือกไปในทันทีทิ้งให้บุญคำจันเกิดเสยและสางปารวมห้าคนอยู่เฝ้าที่พักเหตุการณ์อันฉุกเฉินและสภาพอันตื่นเต้นฉุกละหุกชนิดที่จะต้องอาศัยความฉับพลันต่อเวลาทำให้ทุกคนไม่รู้สึกถึงความอิดโรยโหยและเหี่ยเลยจนนิดเดียวแม้จะไม่ได้พักผ่อนกันมาตลอดทั้งคืนขณะนั้น ท้องฟ้าสางขึ้นเป็นลำดับพอจะมองเห็นภูมิประเทศรอบด้านได้รางรางระพินนำตัดข้ามเนินลูกที่ทุกคนเห็นเขาโผล่ขึ้นมาเมื่อครูน่นี้ลงสู่ทุ่งหญ้าอันไพศาลซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างบายหน้าเข้าหาทิวเนินอันเหลี่ยมสลับซับซ้อนที่เห็นเป็นเงาอยู่เบื้องหน้าดารินชัยยันและมาเรียเดินเรียงเป็นหน้ากระดานเคียงข้างเข้ามาอย่างกระชันชิด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 พักอยู่ในคืนนี้แล้วคุณกลับมาได้และเช่นนี้ก็คงไม่เกิดเรื่องยุ่งต้องตามหากันในควากไปหมดแบบนี้อันที่จริงพวกเราทั้งหมดก็จะขอไปกับเขาด้วยละ่ะแต่เขาห้ามเอ้ยเองผมก็พูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับแล้วก็ทราบซึ้งในน้ําใจของคุณชายเชิดาได้ดีที่สุดว่าท่านมีความห่วงใยต่อผมเช่นไรจะห้ามแม่ท่านห่วงก็ไม่ได้ด้วยเพราะรูปการที่ผมหายอย่างปราศจากร่องรอยไปจนค่า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 การติดตามผมจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนอกจากเสียงโดยใช่ที่ขอรู้ไว้เถอนะครับว่าถ้าผมมีอันเป็นไปยังไงถึงจะตามไปก็แปลว่าสายไปซะแล้วแต่ถ้าผมไม่เป็นอะไรผมก็จะกลับมาได้เองและนี่คุณสั่งคนของคุณไว้ยังไงในระหว่างที่เรามุ่งไปทางป่าหินนั่นสมมติว่าทางด้านหลังเราบางงาังเอิญเชืากะแง่ทายกลับมาถึงที่พัก ผมบอกคุณบุญคำไว้แล้วครับว่าถ้าคุณชายกับแง่ทรายกลับมาถึงก็้นําออกเดินทางตามหลังเรามาได้เลยบุญคำรู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องมาทางด้านไหนผมบอกแกไว้อย่างละเอียดครับระยะทางมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะักเป้าหมายที่เราจะไปอยู่ระหว่างกลุ่มเนินซ้อนกันอยู่หลายลูกที่เห็นอยู่ข้างหน้าในแนวตรงนี่เองครับก็ไม่น่าจะไกลเกินกว่า5้าหกิโลอย่างที่คุณบอก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 ก็โชคดีนะครับที่ขณะยิงปืนเรียกนะ่ะผมเข้ามาอยู่ในรัศมีใกล้เคียงที่พักพอดีและทางนี้ยิงตอบยิงค้นหาได้ถูกถ้าทั้งฝ่ายคุณหญิงไม่ได้ยินเสียงปืนและไม่ให้สัญญาณตอบมาบานี้ผมก็ยังบอกไม่ถูกว่าจะเดินเวียนหลงไปทางไหนอีกระยะเวลาที่มันเสียเปล่าไปนะ่ะเป็นระยะเวลาที่ผมคลำหาครั้งแรกผมยังคิดเะด้วยซ้าว่าผมคงหมดโอกาสที่จะค้นหาพวกเราทั้งหมดได้ก่อนตะวันขึ้น แต่ก็ต้องลองเสียงดูราชสกุลสาวฝืนหัวเราะแปลงพระความจริงคุณก็ช่างสามารถเหลือเกินนะเดีย๋ยวว่าแต่กลางคืนที่ ม, มืดมิดไปหมดเลยต่อให้กลางวันแทๆ้ๆภูมิประเทศบริเวณนี้ก็ยังน่า จ, จะหลงกันตายอยู่แล้วคุณยังอุตส่าห์ตามมาจนพบนี่ก็พี่ใหญ่ทำเป็นบุคคลชั้นซูเปอร์แมนออกเดินค้นหาคุณในเวลากลางคืนด้วยฉันไม่เชื่อว่าเขาจะเก่งเหมือนคุณหรอก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 ระพินก็ยอมจะแสดงความกังขาขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันก็ต้องพาดพิงไปถึงแง่รายอย่างไม่มีปัญหาฮึฉันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนี่จะได้รอให้ใครมาให้ความคิดทำไมอ่ะทำไมจะรู้เท่าทันคุณไม่ได้ทีเดียวเหรอในเมื่อมารู้คราวหลังว่ะไอ้ที่คุณอ้างว่าเป็นยอดหินโผล่ขึ้นหลังเนินน่ะที่แท้น่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั่วขณะเท่านั้นพอเห็นแบบนั้นน่ะฉันก็นึกออกว่าคุณจะต้องหาอุบาย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 หยุดยืนสนิทนิ่งดวงตาแลจ้องอย่างพินิษคร่ครวนไปยังกลุ่มเนินหลังเต่าที่เห็นซ้อนสลับกันอยู่หลายลูกราวกับใครมาแกล้งทําไว้ห่างออกไปเพียงระยะไม่เกินสองกิโลเมตรป่าหินอยู่ในระหว่างเนินสองลูกที่แลเห็นเหมือนหลังเตา่าแฝดติดกนันน่นเขาบอกแผ่วต่ําพร้อมกับสังเกตทิศทางลมจากยอดหญ้าที่ขึ้นอยู่โดยรอบตัวอย่างระมัดระวัง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 รากฏรอยเท้าเดินย่ำไปเป็นทางเป็นรอยที่พอจะสังเกตเห็นได้จากตำแหน่งที่ยืนจ้องกันอยู่ในขณะนี้ว่ามาจากทางทิศตะวันตกคนละด้านกับการมาของทุกคนแล้วตัดเป็นเส้นตรงมุ่งเข้าหาเนินใหญ่สองลูกอันเป็นเป้าหมายที่พรานใหญ่ชี้ให้ทุกคนดูแต่แรกมาเรียทะลันพดเข้าไปก้มสำรวจดูเป็นคนแรกในระหว่างที่ชายยันกระดารินยังยืนจ้องตะลึงอยู่ ทุกคนเห็นหลอนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในบริเวณร่องรอยที่ปรากฏอยู่นั้นอย่างนักชำนาญการแกะรอยแล้วอึดใจเดียวก็ก้มลงหยิบอะไรชนิดหนึง่งจากพื้นชูขึ้นร้องเบาว่าชัดแล้วพี่ใหญ่แน่นอนชายันกดารินเพ่นเข้าไปอย่างตื่นเต้นสิ่งที่แม่มสาวส่งให้ดูก็คือก้นของซิ ก, ก้าอันหนึง่งเหลือกุดสั้นเพียงไม่เกินนิ้วครึ่ง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 รพินชี้มือเป็นเครื่องหมายให้นายจ้างทั้งสองของเขาดูไปทางด้านที่เชิฐากระแงสายเดินเหยียบย่ำมาแล้ววกมือวนไปตามรอยเท้าที่ตัดเข้าหาเนินทั้งนั้นที่ระหวาดระแวงกันไว้ก็ไม่ผิดไปเลยหละระพินชัยันพึมนพรมแหบๆเต็มไปด้วยสังหอนร้ายว่าแต่ว่าขณะนี้ทั้งสองคนนั้นอยู่ที่ไหนผมคิดว่าถ้าเขาปกติเรียบร้อยดี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 ในลักษณะไหนกันแน่หล่อนอยากจะถามแต่ก็ไม่กล้าขยับปากได้แต่ยืนใจสันระทึกอยู่ระพินส่งภาษาซุบซิบกับขยินอีกครู่ใหญ่ฝ่ายนายจ้างทั้งสามที่ยังยืนนิ่งยังทำอะไรไม่ถูกเห็นอดีตนายตำรวจระเวนชายแดนกับเจ้านักเลงโตหล่มช้างช่วยกันตรวจทางลมอย่างระมัดระวังที่ท่วงที่สุดราวกับว่าพระพายามเช้าอันสุดชื่นนี้ จะเป็นมหาศัตรูมหันตภัยตัวฉกาศที่จะต้องระวังทุกฝีก้าวยากซึ่งความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะถ้าผิดเส้นทางลงแม้แต่นิดเดียวพอให้กลิ่นดอกว่านมรตยูนั่นลอยมาปะทะคานประสาทเข้าเมื่อใดวิบัติการก็ย่อมจะมาถึงเมื่อนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องแกะสาวรอยเชษฐาและแงซ า, ายเข้าไปเพื่อดูให้เห็นชัดแน่นอนว่า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 พร้อมท้งให้สัญญาณเคลื่อนที่ระวังให้ดีนะพวกกองรวดทางลมให้แน่ใจที่สุดนะใช้ยันร้องเตือนมาเบาๆขณะที่ทุกคนเคลื่อนตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตนายทหารปืนใหญ่ก้าวขึ้นไปเดินเรียงเป็นหน้ากระดานเคียงคู่กับประพินตอนนี้กระแสะลมพัดโชยเอือยๆในอัตราปกติผ่านจากด้านซ้ายของเราไปทางด้านขวา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 เมื่อเย็นวันนี้อย่างไม่มีอะไรเคลือบแคลงเลยถ้ามันจะไม่ชอบกุณแน่แล้วแฮสองคนนั่นทำท่ามันจะเดินเข้าหาดงว่านพิษจริงๆด้วยชายันอุทานออกมาเป็นประโยคแรกภายหลังที่เงียบนานไปนานระพินหยุดชะงักมองตามรอยเท้าที่เห็นไตขึ้นขอบเนินไปอย่างใคร่ครวนเหมือนจะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเสี่ยงตามเข้าไปจนถึงที่สุดดีหรือไม่ และทําไม่ตามไปจะหาทางอ้อมเลี่ยงไปทางด้านไหนเพื่อจะให้เห็นได้ว่าทั้งสองคนายหน้าไปทางใดระหว่างนี้เองฝ่ายนายจ้างทุกคนที่รอการเคลื่อนไหวนําของเขาก็หันมามองหน้าเหมือนจะถามขณะนั้นขยินผู้เดินแยกห่างออกไปทางด้านซ้ายมือและยืนหมุนตัวตรวจหาร่องรอยไปรอบๆก็ร้องเรียกพรานใหญ่ขึ้นโดยเสียงอันดังระพินสาวเท้าเข้าไปโดยเร็ว ในขณะที่คนอื่นๆก็หันขวาบไปทันทีอะไรเหรอผู้กองชยันถามระหว่างที่นำดารินกบมาเรียเดินตรงเข้ามาสมทบอย่างรีบด่วนขยินค้นพบรอยเท้าสองคนนั่นย้อนลงมาทางด้านนี้ครับพร้อมกับพูดจอมพรานชี้ให้ดูร่องรอยของเชิดถาและแง่ทรา ย, ายที่เดินหวนกลับลงจากเนินอันไม่อยู่ห่างจากรอยเดินขึ้นเท่าไหร่นักเป็นทางของพื้นรองเท้า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 เดินไต่ขึ้นไปถึงจุดไหนจึงย้อนลงและมีอะไรมาเดินใจให้หวนกลับลงมาเช่นนี้จะว่ากะากลิ่นอันตรายก็ใช่ที่เพราะถ้าได้กลิ่นเขาเมื่อไรผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้งสองคนนั้นจะไม่มีโอกาสถอยหนีทันเลยแพนใหญ่พูดระหว่างที่กวาดตาตามรอยเท้าที่เดินย้อนลงไปอีกซี่กหนึ่งอย่างคุ่นคิดใค ร, คร่ายกลและออกเดินตรวจตามรอยลงไปอีกระยะหนึ่ง พยายามสังเกตที่รอยการเหยียบย่ำก้าวเดินอย่างทีท่วนที่สุดบอกต่อมาว่าเป็นการเดินอย่างปกติไม่ได้แสดงว่าได้รับความตื่นตกใจหรือต้องการจะพลักวิ่งหนีโดยเร็วเลยครับผมคิดว่าคงเกิดการเปลี่ยนใจที่จะผ่านขึ้นไปบนยอดเดนินแล้วเดินเลี่ยงอ้อมเสียมากกว่าดารินกษตรา ย, ยานั้นได้แต่พยายามเพ่งดูแต่ก็ไม่สามารถคาดคะเนอะไรได้ทั้งสิ้น ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในข้อวินิจฉัยของมักคุเทศผู้นำทางคนเดียวเท่านั้นแต่มาเรเอียฮอฟมันสำรวจตรวจต ร, ราร่องรอยเหล่านั้นด้วยสายตาและพิจารณาของผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากแานใหญ่แห่งกาละทวีปประกอบกับความจัดเจนช่ำชองที่ตนมีอยู่แล้วพอตัวหลนถามขึ้นว่าบนเอลูกนี้ไม่ใช่เหรอที่คุณกลิ้งหล่นลงมาตอนที่ปะทะเข้ากับกลิ่นนั้นครับใช่ จำได้ไหมบริเวณไหนที่คุณได้กลิ่นเป็นครั้งแรกแล้วถอยจนกระทั่งหมดสติล้มกลิ้งลงไปนอนสลบอยู่แล้พินแขน้ากลับขึ้นไปมองบนเนินลูกนั้นอีกครั้งทำท่ากบกิ ด, ดผมจำไม่ได้แน่นอนล่ะครับว่ามันเป็นตรงไหนเชื่อว่าคงจะอยู่ทางบริเวณร่องไหลซ้ายส่วนใดส่วนหนึ่งข้างบนที่เห็นอยู่นั่นแหละครับแล้วผมก็วิ่งลงเนินลาดนี้ลงมาล้มกลิ้งหลตลบไปนอนอยู่ในหลุมข้างล่าง น, นั่น กขชี้มือประกอบคำอธิบายถ้างั้นก็ลองมาช่วยกันวินิจฉัยในสิ่งที่ฉันจะพูดนี่แมมสาวกล่าช้าๆรีตาลกมันจะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่แง่ท า, ายกับพี่ใหญ่ไต่เนินเดียวกันกับที่คุณไต่เนินเดียวกันกับคุณลูกนี้ขึ้นไปความตั้งใจของเขาก็คือจะข้ามตัดยอดเนินเพื่อมุ่งเข้าหาฝ่าหินที่อยู่ด้านหลังแต่แล้วทันทีนั่นเอง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 แม้ในสายตาที่ไม่ชำนาญ น, นักอย่างชั ย, ยันและดาริมรอยของใครคนหนึ่งลงมานอนคลุกฝุ่นอยู่ตรงนั้นพร้อมทั้งตะเกียกตะกายไตายปากขอบหลุมขึ้นไปอันคงจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้สติรู้สึกตัวนั่นคือระพินไพรวันเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาอีกสองรอยเท้าซึ่งพื้นรองเท้าปรากฏชัดเจนที่สุดพระประทับไว้บนดินทรายร่วน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 แงาทายกระเช้ฐถาตามรอยมาจนกระทั่งพบบริเวณที่คุณนอนสลบแอ้งแมงอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่เลอชายันเอ่ยขึ้นน้ำเสียงตื่นตื่นชัดแล้วครับคุณชายกับแงาา ย, ายตามมาจนพบร่องรอยครั้งแรกของผมเข้าจนได้เมสันิฐานได้ถูกต้องที่สุดแล้วครับขณะใบหน้าขึ้นเนินไปคงจะพบรอยที่ผมกลิ้งหล่นลงมาจึงเปลี่ยนทิศทางเดิมสาวรอยลงมา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 ตะวันเริ่มสาดลําแสงอันอบอุ่นลงมาฉายพื้นหญ้าชุ่มฉ่าน้ําค้างกระทบแดดยามเช้าระเหยเป็นไปอยู่ทั่วไปรอยของตัวเขาเองบัดนี้ไม่ปรากฏให้เห็นเชแล้วจากการเวลาที่เนิ่นานานออกไปแต่รอยของผู้ตามมาภายหลังทั้งสองคนยังพอจะหลงเหลืออยู่บ้างเพราะเป็นเวลาที่ล่า ก, กว่าแต่แล้วชั่วไม่นานนัก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 เป็นป่าหินย่อมย่อมที่โผล่ยอดสูงต่ำขึ้นมาจากพื้นดินทั่วไปลักษณะผิวของแต่ละก้อนเ ก, กลี้ยงเกลาเราก็มีใครมากลึงไว้ปราศจากรอยครุขระสิ่งที่กลึงมันไว้อย่างงดงามก็คือกระแสลมที่พัดผ่านอยู่ชั่วกับชั่วกันนานแสนนานจนเกินกว่าที่จะคณนการได้ถูกต้องเป็นป่าหินที่งดงามเหนือกว่าทุกแห่งทุกซึ่งทุกคนผ่านพบมาแล้ว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 อยู่ทั่วไปและนั่นคือช่องประตูผาของมังมหานรทาณนะที่พื้นดินปนทรายของป่าหินรอยเท้าของเชิฐทากางแง่ทรายปรากฏให้เห็นอีกครั้งพร้อมทั้งรอยเท้าเดิมของระพินด้วยสองคนนั่นเข้ามาพบที่หมายในแผนที่อย่างตรงเพลิงโดยการตามรอยคุณดิกมาแต่ที่แน่นอนที่สุด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 ต่อกลิ่นดอกว่าหากลมเปลี่ยนทางโดยพัดสวนหน้าเข้าเมื่อไรก็คงจะพบกวาระสุดท้ายอยู่ตรงนั้นเองหลังจากกระพินได้ตรวจพิจารณาตามพื้นอยู่ครู่หนึ่งก็ชักแปลกใจอยู่ครามครันมีแต่รอยเท้าของเขาเองตามลำพังคนเดียวเท่านั้นที่บุกป่าหินลึกเข้าไปรอยของแง่สายกับเชิถามีอาการเหมือนจะตามไปในช่วงแรกเหมือนกันแต่ไม่ไกลนักก็วกกลับ ไปย่ำสับสนอยู่ตรงโคลนหินประดุดเสาหลักสองก้อนนั้นจอมพรานใช้สมองอย่างหนักระหว่างที่ทั้งสามกำลังพูดปรึกษาหารือกันอยู่เขาก็เดินช้าๆตรงเข้าไปที่หินชลูดทั้งสองก้อนที่ยืนเคียงคู่ห่างกันเป็นช่องประมาณสิบเมตรเชษฐากระแงสายจะต้องมายืนพิจารณาและพูดอะไรกันอยู่ตรงนี้อีกนานจากรอยหยุดยืนแล้วก็ตัดผ่านช่องนั้นออกไป รพินก้าวตามไปเป็นลำดับครั้นแล้วก็หยุดชะงักนิ่งลงอีกครั้งเมื่อสายตากวาดระไปกระทบกับอะไรชนิดหนึ่งบนพื้นทรายเบื้องหน้าคุณชายันครับน้ำเสียงของเขาที่เรียกฟังดูร้อนรนทั้งสามครูเข้ามาทันทีแล้วเห็นในสิ่งที่จอมพรานบุ้ยปากให้ดูอะไรกันนี่นี่มันแปลว่ายังไง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 รพินยังไม่พูดอะไรในขณะนั้นหัวคิ้วของเขาขมวดย่นแงนขึ้นมองท้องฟ้าหาทิศทางของตะวันตกแล้วควักเข็มทิศออกมาเปิดฝาออกเทียบพอได้ที่ก็ส่งเข็มทิศที่ถือในมือไปให้ชา ย, ยันดูตรสังเกตให้ดีเห็นไหมครับดอกสอนชี้ไปทางไหนตะวันตกเฉียงเหนือแล้วพอจะเข้าใจอะไรหรื อ, อยังล่ะครับ ผมงงไปหมดแล้วผู้กองผมไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างชื่อถาหรือแง่ทรายเขียนลูกศรกับวงกลมนี่ไว้เพื่ออะไรเดาไม่ออกเลยไม่ใช่คุณชายหรอกครับที่เขียนลูกศร น, นี่ไว้จอมพลานพูดต่ตําๆริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มเครียดครึ้มขึ้นเป็นครั้งแรกคนเขียนก็คือเจ้าแง่ทรายครับผมเชื่อว่าคุณทรายคงไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ําที่แง่ทรายเขียนอะไรทิ้งไว้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 ดารินชายันและแม้แต่มาเรียเองก็อ้าปากค้างตะลึงงงไปหมดยังยังไม่เข้าใจอะไรนะักเดี๋ยวรพินคุณพูดอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเดียวน้องสาวคนสวยของนายจ้างละล่ำละลักลิ้นพันกันมองหน้าเขาอย่างประหลาดใจขีดสุดคุณว่าแงซายพาพี่ใหญ่มุ่งหน้าไปหลุมกาบาทแล้วยังงั้นเหรอครับถ้าผิดไปจากผมว่า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 ทีนี้ทางด้านมันได้นำคุณชายมาถึงที่หมายสำคัญในแผนที่นี้อยู่แล้วการที่จะเดินย้อนกลับไปยังที่พักอีกเสียเวลาสำหรับมันโดยใช่ที่มันก็เลยถือโอ ก, กาสพาคุณชายล่วงหน้าไปยังหลุมุกาบาทสะก่อนเลยโดยการคาดหมายไว้แล้วว่าเมื่อมันและคุณชายไม่กลับไปทางฝ่ายเราก็ต้องออกตามและไงไงก็ต้องตามมาตรงจุดหมายนี่แหละเมื่อตามมาถึงก็จะเห็นสัญญาณที่มันเขียนทิ้งไว้ แล้วก็ต้องเดินตามมันไปอีกอยู่ดีเพราะมันรู้ทิศทางเป้าหมายที่กำหนดไว้ในลายแทงอยู่แล้วลายแทงขนาดนี้ก็อยู่ที่มันทั้งสามฟังอย่างมึนงงพิศวงแล้วคุณว่าเช่อถาไม่รู้เรื่องด้วยยังงั้นเหะต้องไม่รู้อย่างแน่นอนครับลองคิดดูสิครับถ้าคุณชายเชิดถารู้มีหรือจะยอมปฏิบัติตามแผนการเจ้าเล่ห์ของมันจะยังไงเสะ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 มันหลอกว่าง่ายนิดเดียวว่าตามผมต่อไปหรือจะมุ่งกลับที่พักคุณชายก็จะไปรู้อะไรนอกจากตามมันไปถ่ายเดียวเท่านั้นกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถึงหลุมกาบาตแล้วแล้วเมื่อถึงที่นั่นก็คงไม่รู้ตัวอยู่นั่นเองว่าเป็นแผนการนำล่วงหน้าไปรออยู่ก่อนของมันเพราะมันแก้ตัวได้ง่ายนิดเดียวว่านาหลงไปแล้วฟลุกเจอที่หมายนั่นคับส่วนทางด้านเรานั่นก็ต้องตามไปสมทบอยู่แล้ว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 นี่คุณแน่ใจเหรอว่าแง่ทรายมีความเชื่อมั่นว่าคุณไม่เป็นอะไรและไม่สนใจจะติดตามคุณต่อไปอีกเนะี่ยมุ่งพาพี่ใหญ่ไปคอยอยู่หลุมุกาบาทเลยโดยฝากความหวังไว้ว่าคุณจะย้อนกลับไปถึงที่พักและนำพวกเราทั้งหมดตามไปเองคุณหญิงครับไม่มีใครรู้สันดานของแง่ทรายดีไปกว่าผมหรอกฉันเชื่อในข้อนั้น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 ให้มันเห็นอยู่อย่างนี้แหละครับมีรอยเท้าของคุณเดินตัดป่ายหินไปทางด้านเหนือซึ่งก็เป็นรอยที่คุณบอกกับเราว่าคุณอ้อมเข้าไปสำรวจที่ดวงว่านพิษนั่นเง า, ายตามไปดูหน่อยนึงโดยรอยเท้าของเขาที่เราเห็นทีนี้คุณบอกได้ไหมเง า, ายเดินตามไปแล้วทำไมถึงไม่ตามไปให้ตลอดเขาย้อนกลับมาที่นี่ทาไม ย้อนกลับมาเพื่อจะตั้งต้นตั้งทิศเพื่อจะตัดไปยังหลุมกาบาทตามที่ระบุไว้ในลายแทงน่ะสิรพินพูดอย่างหัวฟัดหัวเวียงน้องสาวของนายจ้างของเขาบางทีก็ถามอะไรเหมือนเด็กๆที่ไร่เหตุผลอันเนื่องมาจากเขา้าข้างคนใช้พิเศษประจาตัวแล้วก็หาทางป้องกันจอมกะล่นของหล่อนประพฤติประพือไปมันนะตามผมไปหน่อยนึง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 ที่คุณชายถึงเดินล่วงหน้ามาก่อนแบบนี้แต่คุณชายตอบว่าไม่รู้ตัวเลยเดินหลงมากันแง่ทรายโดยเจตนาจะกลับที่พักแล้วก็มันก็แปลว่าเจ้าตัวดีของคุณหญิงอะหลอกพี่ชายของคุณหญิงอย่างที่ผมบอกว่านี่แต่ถ้าคุณชายบอกว่าเจตนาจะเดินล่วงหน้ามาคอยอยู่ก่อนเพราะเชื่อว่าพวกเราจะต้องตามไปถูกก็แปลว่าแง่ทรายมันยอมบอกความจริงในแผนการของมันกับคุณชายดารินแ ม, ม่ริมฝีปากคิด แล้วพยักหน้าชาชาอืมก็น่าคิดนะถ้างั้นเจ้าตัวดีของฉันก็เห็นจะได้รางวัลอีกสักชาตะนี่สิคุณหญิงครับผมจะบอกคุณหญิงไว้ล่วงหน้าก็ได้นะครับถ้าคุณหญิงไปถามแายทรายในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะต้องบอกคุณหญิงว่ามันพาคุณชายหลงไปเหมือนกันแล้วถ้ามันบอกอย่างนี้คุณหญิงจะเชื่อไหม ฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าคนอย่างแงซายจะหลงในเมื่อขนาดร่องรอยของคุณหรือที่หมายช่องประตูผานี่มันก็ยังอุตส่าห์ตามจนพบดีแล้วครับถ้างั้นก็เก็บคำถามนี้ไว้ถามและรอคำตอบจากมันด้วยจะได้รู้สักทีว่าผมน่ะพูดจริงหรือเปล่า <c oughs> ความจริงถึงจะเป็นเช่นนั้นแงซายก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนักไม่ใช่เหรอ มาเรียเปลยขึ้นยิ้มยิ้มก็ไม่ผิดหรอกรบพินกระแทกเสียงขุนคุ ณ, คณแต่มันทะลึ่งรู้มากเอาเปรียเพื่อนฝูงลูกหาบด้วยกันไปหน่อยนึงแล้วก็ปฏิบัติการนอกเหนือคำสั่งระยะทางเดินครึ่งวันจากนี่นะไปถึงหลุมอุกาบาดใครจะหาของแทนให้กับมันถ้าไม่ใช่เจ้าสางปาของคุณเพราะเจ้าตัวดีฉวยโอกาสเดินตัวเปล่าไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วนั่นประกาศนึง อีกประการหนึ่งแทนที่มันจะกลับไปส่งข่าวพวกเรารู้ซะ ก, ก่อนกลับบังอาจพานายใหญ่เดินล่วงหน้าไปตามลำพังซ้ำหลอกนายใหญ่ไม่บอกให้รู้ซะด้วยจะต้องให้ออกประกาศเสียบัตให้อีกไหมวันนี้แหละเจ้าแงาทายล่ะ